ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสําหรับวันนี้คงจะมาพบ ก, กมดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของทศชาติในที่เรียกกันว่าพระเจ้าสิชาติในเรื่องของพระมาหาชนกแ่าก่อนจะขึ้นเรื่องราวของพระมาหาชนกก็ต้องขอกล่าวเหตุกันก่อน ความจริงองค์สมเด็จพระชินวรบรมมาสัจสัดาสัมมาสัมพุทธเจ้าย่าทรงัดเรื่องอะไรนี้องค์สมเด็จพระชินทรสีทรงกระทำเฮขึ้นมาในสมัยเมื่อองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอริเรศสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเตุนั้นเกิดขึ้นถ้าบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายไปชมกัน ปรึกษาคุยกันทั้งเรื่องนั้นองสมเด็จพระทรงทานคิดว่าถ้าเป็นประโยชน์ก็ทรงโปรดเล่าเรื่อง น, นอดีตแต่ก็ไปที่หนา้าเสียดายที่บรรดานักประทั้งหลายเขียนกันมาล่กจากบาลีแต่ว่ามักจะไปทิ้งความดีในเรื่องนี้สามากก็เป็นการมาเอินอย่างยิ่ง ที่หาหนังสือที่มีฉบับครบถ้วนไม่ได้เพาว่าสั่งคนไปซื้อที่ไหนฉบับเก่าๆก็หายไปหมดปรากฏว่าซื้อไม่ได้ไปซื้อมันได้แต่ฉบับที่เขาลอกเขาเขียงจะมาแล้วแล้วก็ตัดทอนเอาของดีๆทิ้งไปยังนี้เป็นที่น่าชิ่นดายเพราะธรรมเทศนาเขา อ, องสม ด, ดพระจอมไตร อย่างกับนางสือที่มาเป็นต้นฉบับมาเล่าเรื่องให้กัรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเขาก็ตัดหน้าตัดหลังฉันจะนำเอาความจำจริงๆมาใช้ก็เกรงว่าจะบกพร่องฉันจะไปหาต้นฉบับที่เป็นภาษาบาลีก็ไม่แน่ใจนักว่าจะมีที่ไหนเพราะเวลาไม่ค่อยจะมี ต้องหาเวลาช่องว่างจริงๆทึงจะมีโอกาสมาเล่าความเป็นมาในธรรมะให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษทัทชายหญยงได้รับฟังเวลามันก็น้อยเพราะภารกิจภายนอกกันมากฉะนั้นการนําเรื่องทศชาติมาเล่ากับบรรดาท่านพุทธบริษทัทเห็นว่าไม่มีการประชมชาต ด, ดกบ้าง เรื่องบางอย่างคาตกบกกร้องเรื่องข้างหน้าบางังก็เขาว่าฐานอภัยเพราะทำนี้ไปหยิบเอานอสวสีเขานักปราชญ์ใหม่ๆ mm. ทั้งก็มามาเล่าสู่กันฟังดูแล้วไปอึดอัดใจน่าสิ้นดดยจริงๆที่บรรดาธนตัราทันหลายสมัยนี้ไม่ทราบว่าท่านมีความรู้สึกยังไง ทำไมถึงได้ไปตัดไปทอนความจริงในพระบาลีเสีก็ไม่ทราบอาดามาเองก็อยู่ต่างจังหวัดยากที่จะเข้าไปค้นหาหนังสือให้ได้มาทันเพราะเวลาไม่มีก็เป็นอนวุวาดได้ทวายเอาเท่านั้นก็นแล้วกันเรื่องราวของพระมหาชนกนี้วันนี้ยังไม่ขึ้นพระมหาชนกก่อน จะเล่าต้นเหตุที่องค์สมเด็จพระชินวรบรมัสสสันดาสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงสร้างเหตุต้นคือเหตุต้นไม่เกิดขึ้นอย่างนี้ว่าในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระชินสีบรมัสสสันดาสัมมาสัพพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ในเวลานั้นเป็นการบังเอิญอย่างยิ่ง เช้าสาวกเขาองสมเด็จพระบรมครูท่านหนึง่งท่านองค์นี้เป็นลูกของมหาเศรษฐีมีทรัพย์ประมาณแปดสิบโคตวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองนั้นท่านเห็นชาว บ, บ้านเขาถือดอกไม้พวกเทียนเครื่องสกาวารามิตรเดินกันไปเป็นแถว ท่านมีความสงสัยจึงเข้าไปถามชาว บ, บ้านทาหลงหลราหลายเรานั้นว่าไปทางไหนกันเขาก็บอกว่าจะเข้าไปฟังเทศจากองค์สมเด็จพระทรงทันคือพระพุทธเจา้าว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าถึงเป็นาศาสดาเอกในโลกคำว่าศาสดา ห, หมายถึงครูอย่าลืมนะาศาสดานี้แปลว่าครู ว่าครูชั้นดีเกิดขึ้นมาแล้วในโลกเราหากันได้ยากอย่างนั้นยังได้ตั้งใจไปฟังเทศเขโ อ, งองสมเด็จพระพูมีพระภาคชายหนุ่มคนนั้นเป็นโลกคนเดียวเขามาหาเศรษฐีก็อยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงพูดแบบไหนทำไมคนยินชอบฟัง ก็จึงได้เดินตามชาวบ้านเข้าไปเมื่อไปแล้วก็เลยพบองค์สมเด็จพระบัทีแก้วนั่งอยู่ท้ำกลางบรรดาพุทธบริษัทมีพระสงฆ์อยู่เบื้องหน้าแต่ถ้าว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปทับอยู่สูงเด่นดูลักษณะอาการท่าทางสวงทรงผิวพันธ์ต่างๆก็น่ารัก สวยจับใจยิ่งกว่านั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสัตย์สดายังเปล่งฉับพรังสีลัศมีหกประการโวยพุ่งคือหกสีหกสีพุ่งมาจากโภระรากายคล้ายพระจันทรงกรดเมื่อเขามองดูองค์สมเด็จพระบรมสุโคตก็เกิดความเรื่อมใส กระแสะเสียงที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรริฎกมาสั่ดาทรงเปิดมาก็คงวานเพราะจักใจฟังเทศไปฟังเทศไปก็มีความเลี้ยงใส่ที่พระพุทธเจ้าเทศถินว่าโลกเป็นทุกข์ชาติพิทุขาความเกิดเป็นทุกข์เทราพิทุขาความแก่เป็นทุกข์วรณำพิทุขังความตายเป็นทุกข์ การพัดไสจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ท่านกล่าวว่าบุคคลใดเกิดมาแล้วหนีความแก่ไม่ได้มันจะต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความเป็นคนแก่ไปได้เกิดขึ้นมาแล้วต้องมีความป่วยไข้ไม่สบายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นไปได้เกิดขึ้นมาแล้วจะต้องมีความตายเป็นธรรมดา เวาต้องพัดพราเจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาไม่มีใครที่เกิดมาในโลกนี้จะร่วงพ้นไปได้แต่ถ้าว่าถ้าบุคคลใดทำกำลังใจตัดนิโศสนมูลสามประการคือโลภความโลภโภสะความโกรธโมหะความหลง ขุดรากเงาความไม่ดีทั้งสา ม, มระการนี้ลงทําลายมันเสียท่านผู้นั้นจะพ้นทุกข์ต่อไปจะไม่พบกับความแก่ไม่พบกับความป่วยไข้ไม่สบายไม่พบกับความตายไม่พบกับความแพ้พลาดแจกของรักของทอกใจแดนที่พึงไปเขาเรียกกัว่าแดนนิพพาน แดนนั้นเป็นเอกันตะบรมสุขคือมีสุขอย่างเดียวจะหาความทุกข์แม้แต่น้อยหนึ่งก็หาไม่ได้กายเระทุกกระทั่งใดๆเลยที่กำลังใจกำลังกายจะเป็นสุขก็ไม่มีมีความเยือกเย็นมีความสุขทุกอย่างเธอฟังแล้วก็จับใจคิดว่าถ้าอะไรก็ดี เรยจะขอบวชในสำนักขององค์สมเด็จพระกินสีแต่ถ้ว่าการขอบวชของเธอไม่สมประสงค์เพราะว่าสมเด็จพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าถ้าจะบวชเธอมีบิดามารดาไหมเธอก็ตอบว่ามีสมเด็จพระกินนสีจึงได้มีพระพุทธดีกาตรัสว่าต้องไปขออนุญาตบิดามารดาเสียก่อน เธอจะเนรลาองค์สมเด็จพระชินวร์กลับมาลาพ่อลาแม่ท่านพ่อแม่ก็มีลูกคนเดียวก็เลยไม่ยอมให้ลาไม่ยอมให้บวชเธอเสียใจจิงเน่นอนไม่กินข้าวคล้ายๆกับท่านพระรัฐธรบาลตามที่กล่าวมาแล้ว ต่อมาบิดามันดาอดทนทนไม่ไหวแกล้งว่าลูกชายจะตายก็อนุญาตเทิงบุตเมื่อบุตแล้วท่านก็ไปเข้าไปหามาพ่อพ่อแม่อนุญาตแล้วก็เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบพิแก้วขอบันบัญชาอุปสมบทสมเด็จพระบรมสุกข์ก็ทรงมีพระพุทธดีกาตรัสว่าเอฮิภู เรื่องแปลเป็นใจความว่าเจ้าจงเป็นพระสุมาเถิดเพียงเท่า น, นี้ก็มีผ้าไตรจีวรสําเร็จพระเิลิศลอยมาจากอากาศผสมโถมตัวของเธอตอนนี้เขบรดาท่านบริษัโทโปรดเข้าใจว่าผ้าไตรจีวรที่จะลอยมาได้นี้องค์สมเด็จพระจินสีจะต้องทราบตัว อ, อำนาจของพระเทีทย ว่าคนคนนั้นในการก่อนโน้นเคยถวายผ้าตรายกีวรไว้ในพระพุทธศาสนาหรือเปล่าถ้าเขาไม่เคยถวายผ้าตรากีวรไว้ในพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ทรงตส่คำนี้ถ้าตัดแล้วก็จะปรากฏว่าไม่มีผ้ามาในเมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงทราบ ว่ า, ขาวเขาเคยบำเพ็ญกุศลมาใ น, นชาติก่อนดีมากทุกประการแม้แต่ผ้าไตรจีวรก็ถวายไว้กับพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาสมเด็จพระบรมศสาสนดาจน ท, นทรงตัตว่าเอหิพิขุซึ่แปลว่าเจ้าจงเป็นพิษุมาเถิดผ้ารตรจีวรที่สาเร็จประดิธิ์ก็ใช้ความดีที่เขาทำไว้ในการก่อน ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์ ส, ง, สงเด็จก็ลอยมาสวมกายกลายเป็นพระเมื่อเป็นพระแล้วก็ขอเรียนพระกรรมฐานจากองค์สมเด็จพระบิตมานพอสมควรแล้วก็ลาไปจำพรรษาในป่าขณะที่เข้าไปจำพรรษาในป่าปรากฏ ว, ว่าในเวลานั้นท่านยังไม่ได้พระอัลาตผล ต่อมาอยู่ภายหลังข้างบ้านพ่อแม่เป็นคนแก่ท่านเป็นคนหนุ่มไม่มีใครควบคุมทรัพย์คนเที่ยวกูก้นี่ยืมสินไปเขากโกงท่านข้าทาสหญิงชายในบ้านมันก็รักมันก็ขโมยของในที่สุดสองเท่าผูกเป็นบินดามันดาถึงกับความยากจน จนเกินกว่าคนจนคือต้องกลายเป็นขอทานทรัพย์สินก็หมดอันล้างผลาญกันหมดให้ชาวบ้านมากโกสินยืมสินก็โกงไอ้ ห, หลูกไอ้เอ็ดเลี้ยวคนรับใช้ในบ้านมันก็ขโมยให้คนข้างนอกขโมยขโมยไปขโมยมาท่านไม่มีอะไรจะกินท่านก็ต้องขายบ้านกินขายที่ดินกินกินแล้วก็หมด ขายมันได้เท่าไรแม่งก็ขโมยไปเท่านั้นเป็นอันว่าดังสอนท่านก็ต้องกลายเป็นขอทานพระวิสุทนั้นไม่ อ, อยู่ในป่าถ้ามีพระอะไรไปใหม่ๆท่านไม่จะถามว่าท่านมาจากเมืองไหนถ้าก็บอกว่ามาจากเมืองเดียวกันก็ถามว่าท่านมาหาเศรษฐีคนนั้นคนนี้ท่านรู้จักไหมแต่ก็ไม่อยากบอกก็เป็นโยม พระที่ไปใหม่ก็บอกว่ารู้จักแต่เวลานี้ไม่ได้เป็นเศรษฐีเสีแล้วเพราะปรากฏลูกชายลูกชายลูกแก้วอ้าวบทปรากฏว่าบินดามันดาถูกโกงกลายเป็นคนยากจนถึงกับขอทานฉะนั้นเมื่อบรรดาเมื่อเวลาออกพรรษาท่านกลับมาก็ตั้งใจไปเยี่ยมบินดามารดาก่อน เ่อเห็นวิดนดาลัมดาเคยยมดังสองถือกระเบื้องแตกๆนั่งอยู่ข้างฝาชาว บ, บ้านเขาเปิ่งขอทานท่านบิงเข้าไปใกล้ถามวินดามัมดาว่าจำาลกได้ไหมวิดามัมดาเห็นเข้าก็จำได้ร้องไห้พนนายถึงความทุกข์ที่ลูกไม่โยได้ต้องกลายเป็นคนจน แต่สายท่านเป็นคนที่ประกอบไปด้วยความกตัญญูรู้คุณตบิดามารดายังได้พาบิดามารดาไปที่ว่างแห่งหนึง่งเอาไม้ในป่ามาทํากระท่อมน้อยๆต่อจากนั้นไปท่านไปเป็นธรรบาดมาได้ท่านก็เอาข้าวมาใบิดามารดากินก่อนเหลือเท่าไรก็ฉันเท่า น, นั้น ผ้าของพ่อของแม่ขาดท่านก็เปลี่ยนเอาผ้าของท่านเปลี่ยนให้ทำลายสีเส้นแล้วก็ให้ท่านนุ่งท่านผมก็ผ้ขาคลายๆก็มีดาบันดามาเย็บมาปะทำใบสบองจีวรทำอยู่อย่างนี้อาหารที่ท่านได้มานั้นพอกินบ้างไม่พอบ้างหลังจากพ่อแม่ฉันแล้วท่านก็บริโภคแล้วทัานก็ฉันคือว่าทัานมีร่างกายสุขผอม ต่อมาบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายปากบ่อนคือไม่ใช่พระอเรียเจา้าทราบเข้าก็ไปกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าพระองค์นั้นเขาประจบชาบ้านเอาใจาชาบ้านเกินไปทำผิดนิสัยโอพระบิน บ, บาบมาแล้วก็ให้คนแก่สองคนกินก่อนตัวกินทีหลัง ผ้าดีๆได้มาก็ย้อมสีเสื้อให่ให้คนแก่ น, นุ่มตัวก็ผ้าเาก่าๆมาหนุ่เวลานี้โซบหอมทำผิบระเบียบใ น, นในพระพุทธศาสนาพระองค์สมเด็จพระบรมศาสนาทร่งทราบแต่ความจริงพระพุทธเจ้าไม่ทราบนะไม่มีแต่มันยังไม่มีเหตุองค์สมเด็จพระบรมโลกก็ใช่ก็มาทรงตรัด ทั้งนี้เพราะราเพราะวาเห็นว่าเหตุที่พระนั้นทำเป็นเหตุสมควรเมื่อมีคนมาฟ้องเรียกว่ามีโจทเมื่อมีโจทุรากากรก็ต้องเรียกจำเลยมาสอบสวนจึงให้ตามพระองค์นั้นมาองค์สมเด็จพระรัมยสัจสันดาหเห็นเร้านั้นมาเฝ้าแล้วสมเด็จพระวทีปแก้วจะในสงกรด ว่าพิกขโดก่อนรพิสุตามคำฟ้องเขาถือเขาหาว่าเธอไปจบคนแก่บิน บ, บาบมาแล้วให้คนแก่กินก่อนถ้าเธอก็ฉันที่หลังได้ผ้าใหม่มาก็ทำลายสีให้คนแก่นุ่งเอาผ้าเก่ามานุ่งนุ่งเอาผ้าเก่าผ้าขาดไปเย็บปะนู่แทนใช่ไหม พระองคนั้นก็กราบทุนองสมเด็จพระจอมไตร์ว่าเป็นความจริงพระพุทธเจ้าค้าสมเด็จพระบรมศาสัา จ, จึงได้มีพระพุทธฎิกาทันว่าพิโคต่ถาคตอยากจะทราบว่าคนสองคนนั้นเป็นใคร ท่านก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสาสันดาว่าคนแก่สองคนเป็นบิดามาันดาของข้าพระพุทธเจ้าพรพุทีเจ้าค่ะเดิมทีเป็นมหาเศรษฐีแต่เวลานี้กลายเป็นคนยากจนเพราะว่าข้าพระพุทธเจ้าลาจากท่านมาหมดเข้าประโย ป, ป่าภายหลังก็ถูกกคงจนหมดตัว เวลานี้ไม่มีอะไรจะบริโภคต้องถือก็เบื่องขอทานข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าท่านมีความลำบากในฐานะที่เป็นลกูกก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทีทรงขอท่านตามมีตามเกิดถึงแม้ว่าตัวจะอดบ้างกินบ้างก็ไม่เป็นไรในใจคิดว่าถ้ามีดามารดามีความสุขสบายเป็นที่พอใจแล้วพระพุทธเจ้าข้า พระองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงสราบจึงได้ยกมือขึ้นสาธุการคือพนมมือทั้งสองขึ้นและยกรหัสรหัสด้วยฝ่มือก็เหมือนกันว่าสาธุสาธุเธอทำดีแล้วพระองค์สมเด็จพระบัณีิแกล่าวว่าเธอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีความกระตันยูรู้คนคนประเภทนี้เป็นคนหาได้ยาก พระองค์สมเด็จพระพูทมีพระพ่ายเจ้าก็ทรงตรัสเป็นพระพุทธภาษิตว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญโยกตวเวทิตาบุคคลใดรู้อปการะคนที่ท่านทํากับเราแล้วสนองคนท่านแล้วกล่าวว่าคนนั้นเป็นคนดีทําให้จิตใจของข้านั้นดีขึ้นมามากแล้วองค์สมเด็จพระพูทมีพระพายเจ้าก็ทรงตรัส ว่าพิฆวโวยดูก่อนเพิสุทธสายการที่บินนบาตมันแล้วนําข้าวให้วิดามารดากินก่อนก็ดีเพราะว่าวิดามารดาไม่มีผ้าหนุ่งผ้าห่มก็ดีเราให้ชายกินก่อนไม่ให้ท่ า, ายอย่างนี้ไม่เชื่อว่าเป็นการทําลายศรัทธาไทยเสียไปแต่ท้าคดขอยกย่องคนประเภทนี้ไส้ว่าเป็นคนดี ทรเอพระองค์นั้นชื่นบานไปมากหลังจากองค์สมเด็จพระผู้มีพระผ้าเจ้วชมเชยแล้วองค์สมเด็จพระบัณิตแก้วจึงในส่วนตัดว่าเธอทำดีแล้วเธอทำถูกแล้วขอเล่าไว้สั้นนิดหนึงว่าต่อมาพระองค์นั้นมีความมีธรรมปีติก็ได้อาารดัตผลแต่ก่อนที่จะได้อดัตผลในวันนั้นเององค์สมเด็จพระทศพล ก็ทรงแต่รั้วเธอทําเช่นเดียวกับในสมัยที่ตถาคตเป็นสุวรรณสามเนี่ขอโทษนะเรื่องนี้เล่าผิดไปเสแล้วบรรดาเทพพุทธบริษัทความจริงเรื่องนี้นเป็นเรื่องของสวรรณสามแต่ไม่ใช่เรื่องของมหาชนกแต่ก็ไม่เป็นไรเรื่องความกตัญญูรู้คนนี้เป็นความดีแม้แต่ว่ามหาชนกนี้ก็คล้ายคลึงกัน ฉะนั้นต้นเรื่องนี้เป็นต้นเรื่องของสวรรค์สามแต่มาเปิดหนังสือผิดไปให้คาว่าเปิดหนังสือผิดไม่ไม่ทันเปิดเล่าเรื่องไปเสร็จแล้วพอ ม, มองดูเรื่องที่เขายกให้มากลายเป็นเรื่องพระมหาชนกไปแต่ก็ไม่เป็นไรพระมหาชนกนี้ก็เป็นคนดีมีความกตัญญูกตเวทีเหมือนกัน แต่ไปจบเรื่องนี้แล้วนั้นองสมเด็จพระทรงท่านก็เล่าเรื่องสุวรรณสามแต่วันนี้ไม่ใช่เรื่องสุวรรณสามซะแล้วเขาต้องสือ ม, มาส่งให้เขาบอกว่าเรื่องมหาชนกแต่ก็ไม่เป็นไรมหาชนกก็เป็นคนความดีมีความกตัญญูกตเวทีฉะนั้นต่อเทนี้ไปอาตมา ก, ก็จะนำเรื่องพระมหาชนก มาเล่าต่อไปซึ่งเวลาเลยหกนาทีนร่ความมีว่าในอดีตการที่ลงมาแล้วมีพระมาหาดัศสัตว์องค์หนึ่งนามว่าพระมหาชนกเสวยราชสมบัติอยู่ในเมืองมิถิลามหานครเพื่อมาหมหาชนกองนี้เป็นปู่พระมหาชนกที่จะเล่าต่อไปนี้ขอทราบไปด้วย ท้าวเธอมีพระราชโอรสสองพระองค์องค์หนึ่งนำว่าอริธาชนกอีกองค์หนึ่งมีพระนามว่าโอราชนกจำให้ดีนะพระมาหาชนกผู้เป็นปู่เขพก็ามาหาชนกที่จะเล่าให้ฟังมีลูกชายอยู่สองคนคนพี่ชื่อว่าอริธา ช, ชนก และคนน้องมีนามว่าโปราชนกพระองค์ได้ทรงตั้งอริธาชนกพี่ให้ตั้งอยู่ในตำแหน่งมหาอุป ร, ราชและก็ให้ท่านโปราชนกตั้งอยู่ในตำแหน่งเสนาบดีอุป ร, ราชก็คือรัตถายาตที่จะเป็นพระราชาต่ตอไปต่อมาเมื่อท้าวเธอสวรรคตแล้ว อุปราชได้ขึ้นครองแผ่นดินสเสวยราชสมบัติแทนและได้ตั้งเจ้าโคราชนกผู้เป็นน้องชายให้เป็นมหาอุปราชในเมือ่อในขณะเมื่อเจ้าอริธาชนกเป็นมหาอุปราชอยู่ก่อนนั้นแล้วรู้สึกว่าเป็นคนทรงความยุติธรรมดี แต่เมื่อได้เป็นพระเจ้าบผ่นดินคือมีความเป็นใหญ่มีอำนาจเต็มที่เมื่อมีอำนาจเต็มที่ขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่าเป็นธรรมดาของคนที่มีอำนาจจะต้องมีคนไปจบประแจงมากนะถ้าว่าอย่างนี้เปิดหนังสือไม่ทันเมื่อได้เป็นพระเจ้าบันดินแล้วก็กลายเป็นพระราชาโหเบา ความจริงหูเบาเนี่ยดีนะสำคัญหูหนักถ้าหูเบาเนี่ก็แปลว่าไม่รับเรื่องรายเรื่องราวของใครใครจะมาประจบไปแจง้งฉันไม่รับฟังเมื่อไม่รับเก็บไว้ใช้เหตุใช้ผลเป็นสำคัญอย่างนี้ที่เรียกว่าหูเบามาันเป็นอยถูกให้คน ร, รับฟังคำประจบไปแจง้งสอบพาคนอื่นแล้วก็รับมาเก็บเอาไว้ แล้วก็เชื่อถือโดยไร่เหตุในผลนี้คนจะเรียกว่าหหนักเพราะหูมันเก็บของพอาอย่าพูดต่อไปเลยเวลามันน้อยเลยสองสามนาทีไปไม่ถึงไหนเพเล่าพลาดไปตอนต้นเป็นกลายเป็นคนหูเบาฟังถ้อยคําของคนประจบสอเปลาเพราะว่าตาธมันไดาคนประจบซอเปลานั้นจะต้องหาเรื่องฟ้องคนนั้นฟ้องคนนี้อยู่เสมอ เพราะตอนไม่ทำงานก็อยากเก็นได้ความชอบการได้รับความชอบโดยไม่ต้องทำงานนั้นมันเป็นวิธีที่ง่ายดีสุดคือเหยียบบาคนอื่นขึ้นไปนั่งนั่งแป้นแทนเหยียบบาคนอื่นให้จมมาแล้วแล้วตนก็นั่งแทนแทนแม้เรื่องนี้มันเยอะนะันนท่านพุทบริสัท เรื่องการประจบสอพรอนี่แมมันมีอยู่หลายสมัยแล้วก็มีอยู่ทุกสมัยบางสมัยก็ไปจบเพีขั้นว่าคนที่มีอำนาจนั่งนั่งอยู่เพื่อนร่วมงานในการลุกพวด่ายมันก็กราบถ้าถามว่ากราบทำไมบอกเอเห็นแสงพุ่งออกจากกายนี่นี่การพูดบ่อยๆคนก็หลงได้เหมือนกัน แล้วบางคนบางท่านเท่าที่ทราบมาในโบราณกาลก็เป็นคนธรมธรมดาธรรมดาเขียนหนังสือไอ้ไม่ได้เขียนหนังสือสมัยนี้ก็มีหนังสือพิมพ์สมัยนอนไม่มีหนังสือพิมพ์เท่าเด็กคนทนาว่าคนนั้นติคนนี้ไว้หนี่ต้องทำอย่างนั้นนั่นต้องทำอย่างนี้แต่พอตัวได้ดีขึ้นมาแล้วก็ลืมตัว กลับไปสร้างความชั่วทำลายชาติไทยคิดหายวายวอดทำลายมิตรของชาติทำลายทรัพย์สินของชาติจนกระทั่งเงินคงครังไม่เหลือหลออย่างนี้ก็พอมีพระสายรับฟังคำบรรจบสอฟพอเขาโมคลทางหลายอรัอมบันดาท่าน่างหลายเรื่องนี้มันพลาดกันมาตั้งแต่ต้นคิดว่าเขาจะให้คุยกันเรื่อง เ, อเรื่องสวรรณสาม แต่ไปไปมามายเจ้าหน้าที่วานเสียไว้กลายเป็นมหาชนกก็เลยต้องตกบันไดพลอยโจรสำหรับวันนี้ว่ากันไปมากไม่ได้เพราะหมดเวลาเช่นแล้วก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี